พระเดชพระคุณอาจารย์พุทธทาเจ้าคุณอาจารย์โพเจ้าคุณพยองเห็นมาเมื่อกี้นี้แล้วก็ขอโอกาสเพื่อนสหาธรร ม, มิ ก, ท, กทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งจากจังหวัดพัตตุน คงไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้เพราะชื่อมันหลายชื่อแล้วเกินเดี๋ยวก็ชื่อเดิมบ้างเดี๋ยวก็ชื่อพระครูบ้างพอเป็นเจ้าคุณเดี๋ยวชื่อเจ้าคุณบ้างมันมั่วยุ่งไปหมดแต่มาเองไม่มีสมองที่จะใส่ชื่อเจ้าคุณชื่อพระครูจะเรียกกันชื่อเดิมทั้งนั้นเลยเพราะมันยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกในเรื่องนี้ ในโอกาสที่เรามาในวันเลิอกอายุของประเดศพระคุณท่านอาจารย์นั้นอยากให้โยมทุกๆ ท, ท่านตั้งใจตั้งในการฟังตั้งในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์กันจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าเราจะปฏิบัติเฉพาะว่า มาแต่ที่สวนโมกภาคปฏิบัติญาติโยมทั้งหลายญาติโยมใส่ก็ไปเลยโดยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะดื่มจะเคี้ยวจะกลืนจะอาบจะถ่ายตรงภาวนานี่ใส่เข้าได้หมดเลยนี่ทาไมว่าการปฏิบัติมันช้าการปฏิบัติที่เราปฏิบัติมันมัวไปเลือกเวลาอยู่ หาโอกาสอยู่อะไรอยูใ่ในเรื่องของการปฏิบัติก็ไม่มีอะไรมากนอกจากศีลสมาธิปัญญานี่ย่อแล้วศีลสมาธิปัญญาถ้าว่าโดยองค์ก็คืออริยมรตมีองแปลอริยมรตมีองแปลข้อที่สาคัญที่สุดก็คือข้อ ส, สัมมาทิฏฐิ มีความเห็นอันถูกต้องความเห็นนี้ก็คือปัญญาโดยเฉพาะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นด้วยสติปัญญาที่เราอบรมเมื่อเราอบรมทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาจริงๆแล้วสัมมาทิฏฐิที่อ่อนๆมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่พอฉะนั้นสัมมาทิฏฐิ กับสัมมาสังกัปโปสัมมาสังกัปปะความดำดิที่ถูกต้องนั้นก็รอมีความเห็นที่ถูกต้องให้ญาติโยมทั้งหลายสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปโปสองข้อนี้เป็นปัญญาปัญญาที่จะต้องพัฒนาไปเรื่อยปัญญาที่เราหยุดไม่ได้เช่นว่าเราพัฒนาให้เห็น อนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเห็นสุญญาตาแล้วก็เห็นตัฐาตาคือความเป็นอย่างนั้นเองนี่มันต้องพัฒนาไปเรื่อยพัฒนาไปเรื่อยหยุดไม่ได้ฉะนั้นการพัฒนาปัญญา เ, เป็นเรื่องที่สำคัญมากแต่ว่าศีลก็สำคัญโยศีลก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตา สมาอาชีวะมีหน้าที่ในการที่จะควบคุมกายและวาจานี่ยมรับศีลรับศีลแล้วก็ไม่พอเราจะต้องรักษาศีลรักษาศีลแล้วก็ยังไม่พอเราจะต้องให้มันมีให้ศีล น, นี้มันมีมีที่เนื้อที่ตัวที่จิตที่ใจของเรา ฉะนั้นรับศีลรักษาศีลและก็มีศีล น, นี่ประการที่หนึ่นี่ประการต่อไปนี่เป็นกายวาจารที่นี่ในเรื่องของจิตในเรื่องของจิตก็ก็มีสัมมาวายามะความภาพเพียรที่ถูกต้องสัมมาสติมีสติที่ถูกต้องสัมมาสมาธิ มีสมาธิที่ถูกต้องนี่ที่ว่าถูกต้องถูกต้องมันมีอย่างละสีอย่างละสีอย่างละสี่ญาติโยมต้องตั้งใจตั้งใจกันจริงๆในภาคของการปฏิบัติฉะนั้นสมาธิมีหน้าที่ในการที่จะควบคุมจิตให้เราทำสมาธิบางทีมันก็จิตนี้มันหยุดนิ่งเพราะที่มันหยุดนิ่งนี่มันไม่ได้ทำงานเลย ไม่ได้ทำงานมันไปหยุดนิ่งเสียก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าให้มันหยุดนิ่งมันหยุดนิ่งก็รู้ว่ามันหยุดนิ่งนีเมื่อมันหยุดนิ่งเราก็ต้องยกขึ้นสู่วิปัสสนาคือย ก, กจิตนั้นขึ้นสู่ปัญญายกขึ้นสู่ปัญญาอย่างในโรงหมอบะลรทางวิญญาณอในโรงหนังนี่เราเข้าไปนี่จะมีอ่ ที่เป็นภาพเซนน่ะอาตมาก็เคยพูดแล้วว่าภาพเซนที่พระรูปหนึ่งนั่งเพ่งนั่งเพ่งก้อนหินจนเห็นก้อนหินเป็นพระพุทธรูปแล้วก็เดินได้ทีนี้ในเรื่องของสวนเซนสวนเซนสวนเซนการปฏิบัติเซนก็จะมีสวนเราจะมีสวนเช่นว่ามีทรายมีก้อนหิน มีอะไรพวกมี้ี่้เดี๋ยวนี้มันก็กลับมาเป็นสวนหย่อมจากสวนเซนก็เป็นสวนห ย, อนยอ่อมสวนหย่อมถวยโฉยงาม ง, งามก็ได้แค่นั้นเองแต่ว่าสวนเซนนี่คือก็ใช้การเพ่งการเพ่งให้ลูกศิษย์คนนี้ก็เพ่งก้อนหินจนเห็นก้อนหินเป็นพระพุทธรูปแล้วก็เดินได้เอ๊ะทำยังไงกลายเป็นพระพุทธรูปแล้วก็เดินได้เราน่าจะเอา ก้อนหินนี้ไปสลักเป็นพระพุทธรูปก็โดยไปหาอาจารย์ไปหาอาจารย์ใหญก่กราบเรียนอาจารย์ใหญ่ว่าเนี่ยผมปฏิบัติแล้วมันเกิดอย่างนี้อย่างนี้ขึ้นมาถ้าหากว่าเราจะเอาก้อนหินนี้ไปสลักเป็นพระพุทธรูปได้หรือไม่อาจารย์ใหญ่ก็บอกว่านี่เมื่อจิตเห็นไหมเมื่อจิตของคุณเป็นสมาธิแล้ว คุณก็ควรที่จะย ก, กจิตนั้นขึ้นสู่ปัญญาก็คือพิจารณานั่นเองนี่แหละแย่โยนทั้งหลายเราจะต้องทำให้ได้ในเรื่องนี้ทีนี้ในเรื่องจิตที่เป็นสมาธินั้นถ้ามันเป็นสมาธิดิ่งลงไปมากเรียกว่าอปปนาสมาธินั่งนิ่งนั่งนิ่งหรือว่าบางทีมันสงบเหมือนกับว่าเรานี่ ตัวลอยลอยขึ้นใตากลางม้งก็ไปชนม้งเลยหรือไปชนหลังคาดเลยถ้าอย่างนี้มันสมาธิมันมากแล้วก็ต้องเอาสมาธินั้นมาใช้งานเอามาใช้งานปริสุทธโธสมาหิโตกัมมณิโยนี่มีอยู่สามข้อปริสุทธโธคือจิตที่บริสุทธิ์สมาหิโตตั้งมัน่นแล้วก็กัมมนิโยควรแก่การ ทำงานเพราะฉะนั้นเมื่อจิตมันสงบแล้วเราก็จะต้องให้มันทำงานทำยังไงให้มันทำงานถ้าหากว่าจิตมันสงบมากไปถ้าสงบมากไปเกิดวิตกเกิดวิจารวิตกคือตรึกวิจารคือตรองเกิดปิติเกิดสุขเอกะกะตาพูดง่าย เรื่องนี้มันพูดงา่ายแต่ว่าเมื่อปฏิบัติจริงๆอย่างนี้ก็เรียกว่าเกิดเป็นชานเกิดเป็นชานชานก็คือแ พ, พ่งเพ่งก็ไปแพ่งก็ไปเพ่งก็ไปเพ่งก็ไปไอ้เมื่อเพ่งก็ไปทําให้เกิดวิตกเกิดวิจารณเกิดตรีแล้วเกิตรึกตรึกทีนี้ไอต้ตรีตึกนี่เราไม่ก็จะมีความรู้สึกพอมันจะรู้สึกกับจริงๆคือตัวปิติตัวปิติ มันทําให้น้ำตาไหลทําให้รอหหอ้องไห้ทําให้ร่างกายนี้ชุชันขึ้นมาอะไรขึ้นมาเนี่ยมันขนพองอะไรต่ออะไรนี่แต่ว่าส่วนมากมันจะน้ำตาไหลมากกว่าไอ้นี้ไม่ใช่ว่ามันจะไหลอยู่ชั่วกราวถ้าชั่วคราวนะปีตีชั่วกราวแต่ถ้าปีตีที่ในองศานี่สมวันสามคืนจะแหละโยมทั้งหลายถ้ามันอยู่ในองค์ฌาน ทนี้พอปิติสามวันสามคืนแล้วเบื่อแล้วปิติเราก็ปล่อยปล่อยทิ้งไปแต่ในขณะที่เราปล่อยทิ้งไปนั้นเราก็จ้องจ้องดูอยู่ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อไปจ้องดูจ้องดูจ้องดูจ้องดูจ้องดูที่จิตนั่นแหละจ้องดูจ้องดูมันจ้องดูต่อไปจากปิติเพราะว่าเราปล่อยทิ้งไปแล้วปิติมันก็เริ่มที่จะปรากฏความสุขขึ้นมา เกิดความสุขคือมันเย็นใจมันเย็นใจบอกไม่ถูกว่ามันเป็นยังไงเนี่ยมันเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจมันก็เย็นใจอยู่ใช้เวลามากเหมือนกันใช้เวลาสมวันสามคืนเหมือนกันแต่ว่าการที่อยู่ในองค์ชานนี้เราจะต้องมีครูบาอาจารย์ควบคุมที่ก็เรียกว่าไปขึ้นอารมณ์ไปขึ้นอารมณ์คือพอมันจบอารมณ์หรือว่าอารมณ์นั้นมันขึ้น ขึ้นแล้วรอให้มันจบก่อนแล้วก็ไปถามพระอาจารย์หรือคนที่เราปฏิบัติด้วยกันที่รู้เรื่องนี้ทีนี้ความสุขมันก็อยู่ไปพักหนึ่งแหละอยู่ไปพักหนึ่งไม่ใช่ชั่วโมงสองชั่วโมงมันจะอยู่สองวันสามวันเหมือนกันนั่นคือสุขนีต่อไปเอกกตาเอกกตาคือจิตนี้จะเป็นหนึ่งจิตนี้จะเป็นหนึ่งจะไม่สนใจอะไร ไม่สนใจอะไรเลยเป็นหนึ่งงั้นน้ำที่มันไหลเชี่ยวอย่างนั้นอะไรมาขวางไม่ได้และจิตมันเป็นหนึ่งเอกกตานี่ทั้งหมดคือวิตกวิจารณปิติสุขเอกกัตาอัตมาพูดเรื่องสมาธินะถ้าสมาธิที่มันเข้าไปอยู่ในองฌานมันเป็นอย่างนี้นี่เรียกว่ารูปฌานนี่ถ้าากว่ามันไปเอกมันยังไม่หยุด ถ้ามันยังไม่หยุดก็มันจะพิขึ้นอารูุปฌานคืออาการสานันจายตนะเนี่ยมันเริ่มแล้วอาการสานันจายตนะนี่มันจะเห็นว่าเอออากาศอากาศเราไม่ได้หายใจใเฉพาะแต่เราต้นไม้มันก็หายใจพวกสัตว์เลี้ยฉันทั้งหมดก็หายใจต้องหายใจอากาศเข้าไปทางนั้นเพราะฉะนั้นอากาศนี่มันทะลุ ป, ปลูกโปรงเข้าไปตรงไหนมันก็เข้าไปได้ทางนั้นเลยนี่เรียกว่ากำหนด รู้อากาสานันจายตนะอายตนะคืออากาศนั่นแหละทีนี้มันก็ใครอีกว่าเออมันเบื่อแล้วเบื่อเบื่อมันพอแล้วพอแล้วเราก็จ้องดูมันเองเลยคือในองค์ฌานจ้องดูมันอีกต่อไปก็เกิดวิญญาณัญจายตนะวิญญาณันจายตนะนี่มันกำหนรู้มันรู้เดี๋ยวก็รู้ที่ตาเนี่ยตอนนี้โยมนั่งฟังกันอยู่ แล้ก็รู้ที่หูรู้ที่หูกําหนดรู้ที่หูเดี๋ยวกลิ่นข้าวมาทางจมูกเอามันรู้ทางจมูกอีกแล้วทีนี้อ้าวมีอะไรที่มันสัมผัสทางลิ้นก็รู้ทางลิ้นอีกรู้ทางตารู้ทางหูรู้ทางจมูกรู้ทางลิ้มรู้ทางกายรู้ทางใจนี่เรียกว่าวิญญาณัญจายตนะคือกำหนดรู้กำหนดอยู่ที่ตัวรู้ตัวนั้นตัวเดียว นี่พอตัวรู้ตัวนั้นมันจางหายไปเมื่อจางหายไปแล้วตอนแรกก็อาการนัญจายตนะที่สองก็วิญญาณันจายตนะที่สาก็อากินจัญญายตนะเ อ, อ้มันไม่มีอะไรเลยดูแล้วมันไม่มีอะไรทุกอย่างมันไม่มีอะไรมันเกิ ด, ดเกิดดับดับเกิ ด, ดเกิดดับดับเกิดเกิดดับดับอยู่อย่างนั้นกําหนดความ ว่าไม่มีอะไรในใจมันก็ท่องอยู่จากนั้นเนี่ยถ้าหากว่ามันอยู่ในองค์ฌานที่เป็นอรูปฌานไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรดูที่ตัวเราก็ไม่มีอะไรเราคิดว่าผมนี่เป็นของเราเออมันไม่เชื่อเรานี่มันไม่เชื่อเรามันก็ไม่มีอะไรผิวหนังนี่เป็นเรานี่มันก็ไม่ใช่เพราะมันเหี่ยวมันแห้งมันย่นมันไม่ตึงเหมือนก่อนก่อนตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวอะไร มันก็ไม่มีอะไรดูตรงไหนมันก็ไม่มีอะไ ร, อ, ร, อ, รอ่านที่เรารับประทานเข้าไปอรับประทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวก็เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นลงไปอยู่ในลำไส้าพุ่องี้มันก็ถ่ายออกได้เออมันก็ไม่มีอะไรนี่ทุกอย่างมันไม่มีอะไรกําหนดรู้ความไม่มีอะไรจนกระทั่งเห็นก็ไม่มีอะไรได้ยินก็ไม่มีอะไรได้กลิ่นเลื่มรสสัมผัสรู้ทางจิตใจไม่มีอะไร นี่เรียวกว่าอากินจัญญาญตนะเรียวกว่าเซมเพิลให้เรารู้เนี่ยสุญญาตานี่สุญสญตานี่คือสินค้าของพระพุทธเจ้าคือความไม่มีอะไรแต่ว่าในอารูณ ป, ปัญญามันไม่ได้มาตรฐานเพียงแต่ว่าให้เราชิมลองแค่นั้นเองไอ้ต่อไปเนวสัญญานาสัญญาญตนะอาญตนะที่ต้องรู้ว่า มีก็ได้ไม่มีก็ได้เราจะเอาในแง่ไหนก็ได้เราพูดว่าอันนี้มีพูดว่าอันนี้ไม่มีพูดในด้านที่มีก็ได้ดูในด้านที่มีก็ได้ดูในด้านที่มันไม่มีก็ได้เหมือนกับว่าทุกอย่างมันมีสองคือมันมีสองมีกับไม่มีมีกับไม่มีเหมือนกับว่าสตางแดงอย่างนี้มันมีตั้งั้งหัวตั้งก้อยอย่างนี้คือมันมันอยู่ในที่เดียวกัน เพราะฉะนั้นเราจะดูแง่มีก็ได้แง่ไม่มีก็ได้นี่ทั้งหมดนี้คืออารูปฌานอารูปฌานก็คือสมาธิติดลึกลงไปอีกนี่โยมไม่ต้องทําฌานก็ได้เมื่อเราปฏิบัติสมาธิถ้ามันเป็นฌานก็ให้มันเป็นไปถ้ามันไม่เป็นก็คือไม่เป็นยกขึ้นสู่วิปัสสนาเลยเอ็นี่ฌานเนี่ยฌานนี้แปลว่าเพ่งแปลว่าเพ่งเพ่งพอเพ่งแล้วทําไม่เกิด ปัญญาเพราะฉะนั้นฌานนี่เป็นบาทฐานของปัญญาเหมือนกับว่าเราจะสร้างบ้านนี่เราจะต้องตอกเสาเข็มสำรวจดูว่านี่ดินที่เราสร้างนี่มันเป็นยังไงดินมันนิ่มไหมอะไรไหมอย่างสร้างเรือนี่เรือที่บรรทุกน้ําอยู่นั้นที่ข้างโรงหนังน่นมันต้องรับน้ําหนักมาก เพราะว่าตอนที่อาตมายัางไม่บวชก็ต้องมีหน้าที่ในการที่จะคุมงานมีคนงานอยู่22คนดังนั้นการสร้างเรือนี่จะต้องตอกเข็มก่อนแตาไม่ตอกเข็มไม่ได้ตอกเข็มในวันแรกได้14ต้น14ต้นก็ไม่เกิน3เม็ดทีนี้พอต่อไปก็ตอกไม่ได้แล้วดินมันเป็นดินดานเป็นดินแข็ง อย่างนี้คือมั น, ม, นมีฐานแล้วมันมีฐานรองรับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นฌานนี่มีหน้าที่ในการห น, นุนหรือว่ารองรับปัญญาฌานแปลว่าเพ่งปัญญานี่ยแปลว่ารู้ปัญญานี่ยแปลว่ารู้จากนั้นอย่าเอาไปปนกันเพ่งกับรู้เพ่งเพ่งเพ่งเพ่ ง, พ, งพอเพ่งเข้าไปมันก็เกิดความรู้ ทีนี้พอเกิดความรู้ขึ้นมาแล้วจะว่ามีก็ได้ไม่มีก็ได้ต่อไปมันก็จะขยายออกไปขยายเป็นรู้อะไรทีนี้รู้อริยสัจหมาแล้วมาแลเนี่ยรู้อริยสัจอริยสัจก็คือเหตุผลโยมทั้งหลายอย่าไปตีว่ามันยากมันลำบากอย่างนั้นอย่างนี้ทุกอย่างมันมีเหตุมีผลแต่ว่าในอริยสัจคือผลและก็เหตุผลและก็เหตุ มันมีผลมีเหตุอยู่ทางนั้นทุกอย่างมันมีผลมันมีเหตุแต่เราแก้ได้เที่มันมีผลเป็นทุกข์ทาไมมันมีผลเป็นทุกข์ก็เพราะเหตุมันไม่ดีมันมีผลที่ไม่เป็นทุกข์มันจ่เป็นสุขนะมีผลที่ไม่เป็นทุกข์เพราะว่าปล่อยวางได้เพราะมันปฏิบัติ ถ, ถูกต้องคือปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานี่ถูกต้องเพราะฉะนั้นที่อาตมาพูดว่าศีลสมาธิปัญญาศีล มีหน้าที่ในการแตะร่องหรือว่าบังคับกายวาจาสมาธิมีหน้าที่ในการบังคับจิตเรานั่งสมาธิถ้าจิตมันเผลอไปไปคิดเรื่องอื่นอะไรแล้วก็จะดึงดึงกลับมันมาดึงกลับมาพอดึงกลับมาให้จิตมันเป็นสมาธิพอจิตเป็นสมาธิแล้วก็ยกขึ้นสู่วิปัสสนา วิปัสนาน่คือแปลว่าเห็นแจ้งเห็นแจ้งด้วยปัญญาเห็นแจ้งด้วยปัญญาเกษาโลมานักขาทันตาตะโจนี่การบ้านที่อุปชาทุกๆรูปท่านให้กับพระกับผู้ที่เป็นกุลบุตรที่ท่านบวชในโบสถ์ เพราะฉะนั้นท่านจะให้การบ้านนี้ว่าเกษาโลมาณขาตันตาตจโจตจโจทันตาณขาโลมาเกษาเกษาแปลว่าผมโลมาแปลว่าขนณขาแปลว่าเล็บธันตาแปลว่าฟันตจโจแปลว่าหนังผมเป็นยังไงบ้างผมเป็นยังไงบ้างนี่ท่านให้ดูแลใช้ปัญญาและดูว่าผมเช่นผมมันเกิดบนหนังศีสามันสีดำ สีมันก็น่าเกลียดมันสกรปรกแต่ว่าเราก็ไปเสียเวลากับมันสีก็น่าเกลียดที่มันเข้าไปงอกอยู่ที่บนผิวหนังผิวหนังก็สกรปรกน่าเกลียดทีนี้น้าเลือดน้าหนองที่เป็นอาหารของเส้นผมนัม่นก็เป็นของน่าเกลียดแต่ว่าเราไปดูว่าไม่น่าเกลียดไปดูว่าไม่น่าเกลียดแค่นั้นการยกเกสาโรมานาตาตันตาแต่โจนี่ยกขึ้นสุวิปสนา เอยกขึ้นสู่ยังไงยกขึ้นสู่ปัฒนาให้ดูความเป็นอนิจจังความเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงแต่ว่าพอเราฟังว่าอนิจจังคือความไม่เที่ยงมันเถียงกันอยู่เรื่องเราพูดว่าไม่เที่ยงแต่ใจเราข้างในมันว่าเที่ยงอนิจจังไม่เที่ยงจิตมันว่าเที่ยงมันว่านิจจังเถียงกันอยู่อย่างนั้นเถียงกันอยู่อย่าง รูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงแต่ว่าเราว่าเที่ยงจิตมันว่าเที่ยงรูปังอนิจจังรูปังทุขขังเราว่าไม่ไม่แล้วมันสุขขังรูปนี่มันสวยมันงามมันเป็นสุขขังเราชอบใจเราพอใจค น, คนที่มีรูปสวยคนที่มีรูปงามนี่ตัวเราเองก็เหมือนกันพยายามทำให้มันสวยทำให้มันงามเราก็เห็นว่าสุขขัง เขาบอกว่าทุกขังไม่ยอมเชื่อสักทีหนึ่งมันทุก ข, ขังที่ตรงไหนนี่ลองคิดดูดิทีนี้เขบอกว่าอนัตตารูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเราก็เถียงอีกว่ามันตัวตนนี่มันตัวของฉันนี่มันตัวฉันนี่ลูกของฉันนี่หลนของฉันนี่ทรัพย์สมบัติของฉันมันก็เลยเถียงกันอยู่อย่างนั้นนี่เพราะว่าไม่มีวิปัส เมื่อไม่มีวิปัสสนาอย่างนี้คือปัญญาไม่เกิดะันั้นศีลมีหน้าที่ในการควบคุมกายวาจาสมาธิมีหน้าที่ในการควบคุมจิตปัญญามีหน้าที่ในการควบคุมกิเลสทุกประเภทเลยนี่ศีลสมาธิปัญญาฉะนั้นปัญญานี่ เราจะต้องทําให้มันมากขึ้นต้องทําให้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเมื่อปัญญามันเพิ่มขึ้นก็จะเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาแล้วต่อไปมันก็จะเริญขึ้นจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นสุญญตาสุญญตาทุกอย่างมีแต่ว่าว่างจากตัวตนมันมีแต่ว่ามันว่างจากตัวตนมันมีตัวตนแต่มันว่างจากตัวตนเี่ ถ้าว่ามันมีตัวตนจริงทำไมเราบังคับมันไม่ได้ บ, บังคับนี่มันบังคับเราถ้ามันมีตัวตนจริงเราต้องบังคับได้แต่นี่มันไม่มีตัวตนเราจรึงบังคับมันไม่ได้นี่อนัตตามันไม่มีตัวตนเมื่อมันไม่มีตัวตนมันก็ต้องเป็นสุญญตาสุญญตาคือมันว่างจากตัวตนทุกอย่างมันว่างจากตัวตนให้โยมเจริญให้มากๆเถอะให้เอานวด สุญญตาสุญญตาสุญญตาแล้วไม่ต้องว่าภาษาบาลีก็ได้เต็มว่าเรากินอาหารเข้าไปเนี่ยคำที่หน่งนับเลยคำที่หนึ่งก็ภาวนาว่าว่างว่างว่างว่างว่างว่างเราเคี้ยวอยู่เราก็ว่างว่างว่างว่างว่างว่างเออเกิดอร่อยขึ้นมามันก็ว่างความอร่อยเดี๋ยวมันก็ดับก็เรากําหนดรู้มันดับกันทีเลยมันว่างนั่นคือว่านั่นคืออนิจจังอนัตตาเราภาวนาว่าว่างว่างว่าง เออมันเกิดไม่อร่อยขึ้นมาถ้าหากว่ามันเป็นเราเราก็ไปไม่พอใจพอใจถ้าอร่อยก็พอใจไม่อร่อยก็ไม่พอใจมันไม่ว่างอย่างนั้นไม่ว่างทีนี้การกินอาหารของเราทุกคนเนินกินอาหารเพราะเป็นธาตุรสของอาหารเราเป็นธาตุรสของอาหารมันก็ไม่ว่างแน่เีนี้ถ้าสูงไปกว่านั้นอีกกินอาหารเพื่อสุขภาพ มันก็อย่างนั้นอยู่นั่นแหละกินอาหารเพื่อสุขภาพเช่นว่ากินอาหารเจอย่างนี้อันนี้มันเนื้ออันนี้มันปลาอันนี้มันผักอันนี้มันผลละไม้อะไรอย่างนีเ้เราไม่ต้องคิดอะไรว่าอาหารอาหารว่างท่านอาจารย์พุทธทาสท่านว่าจงทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างก็คือไม่ข้าไปยึดถือทำงานโดยที่ เราไม่ต้องข้าไปยึดถื อ, อก็ทำไปทาไปไม่มีอะไรมากแค่ว่าเร า, เรากวาดขยะอย่างนี้เออเรามากวาดอยู่คนเดียวทำไมเพื่อนมันไม่มากวาดบ้าง อ, อ, อย่างนี้นี่ทำงานด้วยความยึดถือแล้วล้างจานอยู่คนเดียวเออทำไมคนอื่นไมไม่มาช่วยล้างบ้าง เ, ออเราเหนื่อยแย่ดี่อย่างนี้นั่นมันมีกูขึ้นมาแล้วอย่างนั้นมันมีกูขึ้นมาแล้วมันไม่ว่างนะแล้วท่านจึงบอกว่าจงทำงานทุกชนิด ด้วยจิตว่างยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิ้นเราทําดีที่สุดแล้วแต่ถ้าหากว่ามันยังไม่ดีเอ้าต้องปรับปรุงใหม่ต้องปรับปรุงใหม่ทำดีที่สุดแล้วต้องปรับปรุงใหม่ให้ดีกว่านี้อีกแต่ว่าไม่เข้าไปยึดถือในดีนั้นไม่กล้าไปยึดถือถ้าเข้าไปยึดถือมันก็ไม่ว่างอีกจงทํางานทุกชนิดด้วยจิตว่าง ยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิ้นนี้พอมาประโยคที่สามารถกินอาหารของความว่างอย่างพระกินพระท่านจะต้องพิจารณาก่อนพิจารณาตั้งแต่ไปรับบาตพอรับบาตรยะถาปัจจะยังปวัตตมานังทาตุมัตตตเมเวตังสิ่งราวนี้นี่เป็นสักแต่วะ่าถตามธรรมชาติเท่านั้นกําลังเป็นไปตามเหตุตามปัจใจยอยู่เนืองนิด ยะกีทางปินตะปาโตทาตุปคุณจะโจกจะปุกกะโลสิ่งหล่านี้คือบินตะบาทและคนผู้บริโภคบินตะบาทนั้นทาตุมัตโกเป็นสัตว์แต่ว่าท่านิดสัตโตมิได้เป็นสัตวะตวอันยั่งยืนนิชีโวมิได้เป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคลทีนี้พอมาถึงประโยคที่สำคัญว่าสุญโยว่างจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนนี่ ทีนี้เมื่อเราพิจารณาแลวเราก็ภาวนาอยู่ในใจว่าว่างอยู่ว่างอยู่ว่างอยู่ว่างอยู่มันก็ว่างอะไรมันก็ว่างถ้าเราอยู่เฉยๆรูปมันเข้ามาทางตาก็ว่างหูได้ยินเสียงก็ว่างจมูกได้กลิ่นก็ว่างลิ้นลิ้มรสก็ว่างเพราะเราเห็นการเกิดดับเห็นว่าเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาเห็นว่าว่า นี่ถ้าเราเจริญว like ่างให้มากเจริญว่างให้มากมากมากมากมากมากจนถึงที่สุดเหมือนกับเราตักน้ําใส่ตุ่มอย่างนั้นพอมากจนถึงที่สุดเหมือนหรือว่าเหมือนเราอาบน้ําอย่างเนี้ยมันร้อนอยู่เราก็อาบอาบอาบอาบอาบมันค่อยเย็นลงเย็นลงเย็นลงเย็นลงเนี่ยมันค่อยๆเย็นลงต่อไปจากว่างจากว่างมันก็สงบเย็นจิตที่มันสงบเย็น นี่นี่เห็นไหมจิตมันจะสงบเย็นแล้วมันก็จะอยู่กับความสงบเย็นแต่ละวันแต่ละคืนแต่ละเดือนแต่ละปีมันอยู่กับความสงบเย็นนั่นแหละจิตจะอยู่กับความสงบเย็นนี่เราทําความสงบเย็นคือทําสงบเย็นนั้นให้มาตรฐานคือให้อยู่กับที่เราอยู่ในที่ชุมชนก็สงบเย็นเรากินอร่อยก็สงบเย็นไม่อร่อยก็สงบเย็นเราทําอะไรเรายืนเราเดินเรานั่งเรานอนนี่ สงบเย็นภาวนาสงบเย็นอยู่เรื่อยให้อยู่กับความสงบเย็นนี่คือที่สุดคือความสงบเย็นเพราะฉะนั้นความสงบเย็นนี่ถ้าใครทําให้เกิดความสงบเย็นได้จนมาฐานคือมันอยู่กับเนื้อกับตัวกับจิตกับใจแน่นอนแล้วนั่นเราไม่เสียทีที่ว่าเรามาสวนโมกเรามาพบกับพระเดชพระคุณท่านอาจารย์พุตตะธาแล้วเราก็ ให้ความสงบเย็นนั้นอยู่กับจิตกับใจในความสงบเย็นนั้นมีทั้งประพุทธมีทั้งประธรรมมีทั้งพระอริยสงฆ์อยู่ในความสงบเย็นนั้นหมดสติปัญญาทั้งหมดก็อยู่ที่ความสงบเย็นนั้นหมดอันนี้ญาติโยมทั้งหลายนี่ฝนตกแล้วเพราะฉะนั้นให้ญาติโยมมีความสงบเย็นนอกจากทางร่างกายแล้วมีความสงบเย็นด้านจิตด้านใจด้วยขอความสงบเย็นนี้ องเกิดมีแก่ญาติโยมทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจงทุกทุกท่านเถิด